6กการกระทำจึงยิ่งใหญ่เป็นกอตแท้ๆของชาวพุทธการกระทำกรรมจึงยิ่งใหญ่ที่สุดในาศาสนาพุทธเท่ากับกอตแต่เห็นจริงแต่ต้องได้จริงจึงเป็นจริงมีจริงทำได้จริงยิ่งกว่ากอตโดยเฉพาะกรรมคือการกระทำในปัจจุบันนี้แลจริง เพราะการกระทรรมที่เป็นปัจจุบันมันแตกต้องได้จริงเมื่อครบองค์ของกรรมที่มีสัมผัสหกด้วยภายนอกและภายในอยู่ในบัด น, นั้นทิฏฐธรรมซึ่งเป็นธรรมที่มีอยู่ในปัจจุบันจึงเป็นธรรมะที่เห็นได้จริงสัมผัสได้จริงแม้แต่นิพพานทิฏฐธรรมนิพพานทิฏฐ ซึ่งพิสูจน์การในปัจจุบันนี้ทั้งสิ้นจึงจะชื่อว่าสัมมาทิฐิที่เป็นทิฏฐธรรมคือมีอยู่เป็นอยู่แต่ต้องอยู่ยืนยันได้ในปัจจุบนันพุทธศาสนาจึงทรงจัดกรรมส่วนอดีตกับกรรมส่วนอนาคตเป็นมิจฉาทิฐิและจัดสัมมาทิฐิอยู่ที่ปัจจุบันเท่านั้น ที่พบได้เห็นได้ทั้งโตนและผู้อื่นจึงจะยืนยันกันได้ว่านี่เป็นนี่มีโหติเพราะอดีตและอนาคตนั้นมันไม่จริงเท่าปัจจุบันปัจจุบันทิฏฐการเท่ากับเวลาที่พบเวลาที่เห็นนั้นเป็นได้ทั้งสมมติศัส จ, จาและเป็นได้ทั้งปรมาทสัจจา ที่ยืนยันพร้อมกันได้ทั้งกับตนเองทั้งกับผู้อื่นไม่ใช่เรื่องลึกไม่ใช่เรื่องลับเพราะสัมผัสได้อยู่ทนโ ท, โท่หลัดหลัดต้องต้องไม่ว่าอาการที่เป็นกรรมที่คนหลงกันว่าสุกกรมเม่สุกคันิกะว่าเที่ยงหรือไม่เที่ยงมีตัวตนหรือไม่มีตัวตน น่าพึงใจหรือไม่น่าพึงใจหรือไม่ว่าอาการที่เป็นฌานหนึ่งสองสามสี่ที่หลงกันว่าสุขอตัตถะสุขทั้งทั้ ง, ท, งที่เป็นกินละมัะแ ท, ะแทะ้กิละมัาคือภาวะที่ได้รับรู้มาได้ยินมาจากอื่นเท่านั้นแท้แท แล้วมันก็รบกวนเราให้ยุ่งเหยิงวุ่นวายเพราะไปยึดมาเป็นเรายึดไว้ในเราถ้าเราโง่ยังมีอวิชชาจะเหลือเท่าไรก็ยังมีกินละมทะเท่านั้นเราก็คือผู้ถูกย่ำยีเพราะยังหลงยึดอยู่เองว่าเป็นเราผู้ไม่ยึดแล้วหมดความเป็นเราสนิท ก็ไม่ถูกย่ำยีเพราะไม่มีอวิชชาแล้วผู้พ้นอวิชชาแล้วก็หมดสิ้นความเป็นเราหมดสิ้นความโง่